พระอนุบัญญติห น, นึ่ภิกษุณีใดเข้าไปสู่อารามโดยไม่บอกภิกษุที่มีอยู่ต้องอบัติบาจิตตีเรื่องภิกษุณีไม่กวาดอารามจบหนึ่สมัยนั้นภิกษุเหล่านั้นหลีกไปจากอาวาสนั้นแล้วกลับมาสู่อาวาสนั้นอีกภิกษุณีทั้งหลายคิดว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายจากไปแล้วจึงไม่บอกเข้าไปสู่อารามพวกเธอได้มีความคิดดังนี้ว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้ว่าภิกษุณีไม่บอกภิกษุที่มีอยู่ไม่พึงเข้าอารามพวกเราไม่ได้บอกภิกษุที่มีอยู่เข้าอารามต้องอบัติปาจิตตีแล้วกระมังภิกษุทั้งหลายได้กราบทูลเรื่องนั้นให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าแล้ว รับสั่งให้ภิกษุณีทั้งหลายยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระอนุบัญญัติหนึอันหนึ่งภิกษุณีใดรู้อยู่เข้าไปสู่อารามที่มีภิกษุโดยไม่บอกต้องอบัตปาจิตตี